ศีลห้าเปอร์เซ็นต์ของความเป็นมนุษย์ลดลงสิ่งใดที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองสิ่งนั้นก็ผิดศีลห้าเช่นอย่างชาวพุทธผู้เคร่งในการปฏิบัติเป็นฆราหร์ดเผลอไปซื้อหวยเบอร์มันก็ผิดศีลข้ออาทินาทานเป็นพระเป็นสง์ไปซื้อหวยก็ผิดศีลข้ออาทินาทาน เมื่อมันผิดศีลข้ออาทินนาทานเปอร์เซนต์แห่งความเป็นมนุษย์ก็ลดลงเหลืออยู่ 80% เอร์เซในเมื่อความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์จะไปปฏิบัติเอามรรคผลนิพพานได้อย่างไรมีคนไปถามหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทำไมคนมันมาเกิดมากมายนักหนาหรือว่าสัตว์ทั้งหลายมารักษาศีลห้ารักษากรรมบท10ิบมากขึ้นหรื อ, อยังไงหลวงปู่ท่านก็ตอบว่า เวลานี้มนุษย์มันไปทางป่าทางพงจับปู่ย่าตายายพ่อแม่ของสัตว์เดรัจฉานมาฆ่าแกงกินหมดมันไม่มีที่เกิดมันก็ามาชิงเกิดกับมนุษย์อ้าวไหนว่าที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีศีลห้ามีกรรมบวชสิบคุณแน่ใจเหรอว่าคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกลมหายใจเวลาจิตใจของคุณโหดเหี้ยมทำอะไรไม่คำนึงถึงศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมืองเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ มันลดลงไปอยู่ในระดับสัตว์เดรัจฉานสัต์เดรัจฉานก็ชิงมาเกิดในช่วงนั้นนี่เป็นคำตอบของหลวงปู่แหวนหลวงพ่อพุธต่อบทายไว้ว่าเอากับผู้เท่าเสด